แนะนำบทอันนาซีอาตบทอันนาซีอาตเป็นบทมักกียะห์มี 46 องค์การบทนี้เริ่มด้วยการสาบานต่อมาลาอิกะห์ผู้ทรงคุณธรรมซึ่งดึงวิญญาณของบรรดามุมินอย่างแผ่วเบาและลุ่มนวลและฉุดกระชากวิญญาณของผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่างแรงและที่บริหารกิจการในจักรวาลทั้งมวลด้วยพระบัญชาของอัลเลาะห์ บทนี้ได้กล่าวถึงพวกมุชริกีนบรรดาผู้ปฏิเสธการฟื้นคืนชีพและวันแห่งการชุมนุมโดยว่าสภาพของพวกเขาไว้ในวันที่น่ากลัวของวันนั้นหลังจากนั้นบทนี้ได้กล่าวถึงฟิรเออผู้ละเมิดซึ่งอ้างว่าตัวเองเป็นพระเจ้าและได้แสดงอำนาจอย่างยิ่งยโสอัลเลาะห์ทรงลงโทษเขาและหมู่ชนของเขาด้วยการให้จมน้ําตาย วันนี้ได้กล่าวถึงการละเมิดฝาฝืนของชาวมักกะฮ์ต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและได้กล่าวเตือนพวกเค้าว่าพวกเค้านั้นเป็นประชาชาติที่อ่อนแอที่สุดในบรรดาสิ่งที่ถูกสร้างมาในโลกนี้วันนี้ได้จบลงด้วยการชี้แจงถึงเวลาของวันอาวสานซึ่งพวกมุชริกีนคิดว่ามันเป็นเรื่องห่างไกลและพวกเค้าปฏิเสธว่ามันจะไม่เกิดขึ้นบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอวัลนาซีอาติกบกอวัลนาชีตาตนะชฏอวัสซาบิฮาติซับฮันฟัสซาบิกาติซับกอนฟัลมุดับบิราติอัมราขอสาบานด้วยมาลาอิกะห์ผู้ฉุดกระชากวิญญาณของผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่างแรง ขอสาบานด้วยมาลาอิกะผู้ชักวิญญาณของผู้ศรัทธาอย่างแผ่วเบาขอสาบานด้วยมาลาอิกะที่แหวกว่ายอยู่ในห้วงนภากาแล้วพวกเขามาลาอิกะผู้รีบรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วแล้วพวกเขามาลาอิกะผู้บริหารกิจการ يوم ترجف الطرقفت تتبعها الراضفه วันซึ่งการเป่าสังครั้งแรกนั้นทําให้สั่นสะเทือน การเป่าสังครั้งที่จะ 2 จะติดตามมากุลูบิยอมอิดวาจฟะอบซารูฮาคาชิอะในวันนั้นดวงจิตทั้งหลายจะตระหนกสายตาของพวกเขาจะละห้อยยะกูลูนาอินนาลามะดูดูนฟิลฮาฟิเราะอะอิซาคุนนาอิดามันนะฮิเราพวกเขาจะกล่าวว่า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 แล้วเมื่อนั้นพวกเขาก็จะออกมาอย่างที่ราบโล่งเรื่องราวของมูซาได้มาถึงเจ้าแล้วมิใช่หรืออินนาดาฮูร็อบบึบิลวาดีลมุกัดดัสตวานขณะที่พระผู้อภิบาลของเขาทรงเรียกเขาที่หุบเขาดัวอันบริสุทธิ์อิซฮะบีอิล่าฟิจออูนะอิน انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى เจ้าจงไปหาฟิราอห์เพราะเขาละเมิดฝ่าฝืนแล้วจงกล่าวว่าท่านประสงค์จะซักฟอกให้บริสุทธิ์ไหมและจะให้ฉันนำท่านไปสู่พระผู้พิบาลของท่านไหมเพื่อท่านจะได้ยำเกรง فاراهو الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ما ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى لا موسى ก็ได้แสดงให้เขาเห็นสัญญาณอันยิ่งใหญ่แต่เขาได้ปฏิเสธและดื้อดันแล้วเขาก็ผินหลังกลับหนีไปอย่างรวดเร็วแล้วเขาก็ได้เรียกชุมนุมแล้วประกาศออกไปแล้วกล่าวว่าฉันคือพระเจ้าสูงสุดของพวกเจ้า فآخذه <coughs> الله هناك للآخرة والأولى ดังนั้นอัลเลาะห์จึงทรงลงโทษเขาซึ่งเป็นแบบอย่างทั้งในปรโลกและโลกนี้อินนาฟีฎอลิกะลออิบเราะตันลิมันยัคษาแท้จริงในการนี้ย่อมเป็นข้อเตือนใจสําหรับผู้ยำเกรงพระองค์เอออัลจุมอัชดดุคอลกอนอะนิสสะมาอบะนาฮพวกเจ้าลําบากยิ่งในการสร้างขนาดนั้นหรือ หรือว่าชั้นฟ้าที่พระองค์ทรงสร้างมารฟาอะสสัมกะฮาฟะซาวาฮาวะอฆฏอชไลลาฮาวะอัคเราจดุฮาฮาพระองค์ทรงยกให้มันสูงขึ้นแล้วทรงทําให้มันสมบูรณ์และทรงให้กลางคืนมืดทึบ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 يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى เป็นวันที่มนุษย์จะได้นึกถึงสิ่งที่เขาได้ขวนขวายเอาไว้และนรกนั้นจะถูกเปิดเผยแก่ที่มองมัน أَمَّنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ส่วนผู้ที่ละเมิดฝ่าฝืนนั้น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 ดังนั้นสวนสวรรค์ก็จะเป็นที่พำนักของเขาพวกเขาจะถามเจ้าถึงวันอวสานคือวันกิยามะว่าเมื่อใดเล่ามันจะเกิดขึ้นด้วยเหตุอันใดเล่าเจ้าจึงชอบกล่าวถึงมันนะอย่างพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นคือวันวาระสุดท้ายของมัน انما انت منذر من يخشاه ความจริงเจ้าเป็นแต่เพียงผู้ตักเตือนแก่คนที่หวาดกลัวต่อวันกิยามะห์เท่านั้น كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها วันที่พวกเขาจะเห็นมันวันกิยามะห์ประหนึ่งว่าพวกเขาไม่ได้พำนักอยู่ในโลกนี้ อยู่แต่เพียงชั่วครู่หนึ่งของยามเย็นและยามเช้าเท่านั้น